มันมีคลิปสั้นๆอยู่คลิปหนึ่งนะความยาวก็ห้านาทีน่าสนใจมากมันเป็นคลิปที่สื่อสารด้วยภาพการ์ตูนนะสมัยนี้เรียกว่า a n i m เมช o n เวลาพูดถึงการ์ตูนหรือ Animation, แอนิเมชันเราก็นึกถึงความสนุกสนานน่าตื่นเต้นแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกว่าเป็นเรื่อง ที่น่ากลัวชื่อเรื่องคือว่า Life Update ชีวิตของความตายเป็นเรื่องราวของตัวละครตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่าความตายหรือว่าเป็นตัวถ่ายของความตายคลิปนี้เนี่ยมันทั้งเรื่องเลยนะถ่ายทอดบรรยากาศของป่าป่าที่เขียว ร่มรื่นแล้วก็มีสิงสารสัตว์นานาชนิดแต่ว่ามันก็จะมีมือที่มาสัมผัสนะสัตว์ต่างๆเช่นนกบ้างนะหมูบ้างนะพอมือนี้สัมผัสตัวใดเนี่ยตัวนั้นก็ตายมือนี้เป็นมืองใครนะเป็นมือของตัวมรณนะหรือตัวความตายถ้าเป็น ภ า, าษาบ้านเราก็ียกยมพบาลนะแต่ว่าท่านเรียกว่าตัวมรณาจะดีกว่านะตัวมรณานี่ไปเอามือสัมผัสสัตว์ตัวไหนตัวนั้นก็ตายแต่ก็เป็นการตายอย่างที่ไม่ได้น่ากลัวนะก็แค่หลับไปหรือว่าแน่นิ่งไปแล้วก็มีกวางอยู่ตัวหนึ่งนะตัวมรณาเนี่ยจะเข้าไปสัมผัสกับกวางตัวนี้แต่พอกวางรู้เนี่ยกวางก็หนี หนีตัวมารณาตัวมารณาก็ตามไปทุกคนทุกแห่งเลยไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นหรือกลางคืนเนี่ยกวางไปไหนตัวมรณาก็ตามเดินตามไปห่างๆทีแรกกวางก็หนีแต่ตอนหลังผ่านไปสักพักก็คงใช้เวลานะแต่เรื่องนี้เขาก็ทำให้มันสั้นๆ กวางก็เริ่มคุ้นเคยกับตัวมารณาเพราะว่ากวางอยู่ไหนตัวมารณาก็อยู่นั่นกวางนอนไหนตัวมารณาก็นอนอยู่ใกล้ๆก็เริ่มคุ้นเคยนะแล้วก็ไม่หนีแล้วตัวมารณาจะตามไมกวางก็ไม่ได้ตื่นกลัวไม่ได้หนีอะไร กวางก็ไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับฝูงวัวฝูงกวางก็มีชีวิตที่ผาสุขแต่ละวันหนึ่งเนี่ยกวางก็คงรู้ถึงเวลาก็เดินไปหาตัวมรณาไม่มีความกลัวเลยเพราะว่าคุ้นเคยกันแล้วเดินไปหาเพื่อให้ตัวมรณาได้สัมผัส ที่แรกตัวมรณาก็ไม่ค่อยอยากทํำนะแต่ว่าก็รู้ว่ามันถึงเวลาแล้วก็เลยยอมให้กวางเนี่ยเข้าไปสัมผัสไปถูกตัวแต่ตัวมรณะไม่ได้ทําแค่นั้นนะไม่ได้แค่สัมผัสด้วยมือเท่านั้นนะแต่ว่าเข้าไปโอบกอดโอบกอดด้วยความรัก อบกอดด้วยความอาลัยแล้วกวางก็แน่นิ่งไปเรื่องมันก็มีเท่าเนี้ยนะแต่ว่ามันให้ข้อคิดที่ดีนะซึ่งก็เหมาะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กก็คือว่ า, อาความตายเนี่ยนะ มันเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอันที่เรากลัวเพราะเราไม่คุ้นเคยกับมันแต่ถ้าเกิดว่าคุ้นเคยกับความตายเสมือนว่าความตายเนี่ยเป็นมิตรที่คอยติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งทุกเวลาเมื่อคุ้นเคยความตายแล้วนะ ความตายก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวกว้างตรงนี้เนี่ยอยู่ๆไปก็มองเห็นความตายหรือตัวมรณาเนี่ยเป็นมิตรนะแต่ก่อนนี่หนีเพราะไม่คุ้นเคยแต่ตอนหลังนี่ก็เดินเข้าหาเลยก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่ยอมรับความตาย แล้วพอตายนี่ยก็ตายอย่างสงบไม่มีความทุรนทุรายไม่มีความตื่นตระหนกตกใจอะไรเลยอันนี้มันก็ทำให้คนเราเนี่ยนะได้คอยคิดขึ้นมาหรือเป็นมุมมองเกี่ยวความตายว่าความตายนี่มันไม่น่ากลัวถ้าเราลึกถึงมันอยู่เสมอ เมื่อเราเลอกถึงมันเราก็ไม่รู้สึกมันเป็นสิ่งที่แปลกแยกแลาจะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่ในเรื่องเนี้ยตัวมรณานี่มันก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจนะเพราะว่าตัวมรณาเนี่ยไปที่ไหนสัตว์อื่นๆในป่านี่พอเห็นก็หนีตัวมรณาส่วนตัวนี้เป็นที่น่ารังเกียจ แล้วก็รู้สึกไม่ดีด้วยนะที่แตะใครแตะอะไรทีนั้นก็ตายหมดนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าต้นไม้เหมือนกับว่าตัวมรณาก็ไม่อยากหรอกไม่อยากจะไปแตะหรือทำให้อะไรต้องมีอันเป็นไปแต่ก็รู้ว่าเป็นหน้าที่นั่นถ้าเรามองความตายในแง่นี้นะถ้าความตายมันจะไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ เป็น a อนิเมช o นที่เหมาะสำหรับให้เด็กดูนะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ชี้แจงอธิบายไปด้วยเพราะเป็นการพูดถึงความตายนะแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่น่ากลัวบรรยากาศทั้งเรื่องนี้ก็มีแต่ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เพลงนะที่เบาๆมันค่อยๆก็ให้เปิดใจให้ ได้รู้จักได้เข้าใจแล้วก็เห็นความตายในมุมหนึ่งจริงๆเนี่ยความตายเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตัวเราหรืออยู่ตามติดเราตลอดเวลานะในทางศาสนาเนี้ท่านก็ให้พิจารณาว่าความตายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวให้เลิกถึงความตายว่าสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกลมหายใจ นี่ถ้าเรานึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะความตายจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยแล้วก็น่ากลัวน้อยลงแล้วเมืเ่อไรก็ตามที่เราเป็นมิตรกับความตายนะความตายก็จะเป็นมิตรกับเรานะจะไม่ได้ทําให้เราทุกทรมานนะแต่ถ้าเรามองความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นศัตรูความตายก็สามารถจะกลายเป็นสิ่งที่เวลวร้ายนะสําหรับคนเราได้ ใน่จริงแล้วความตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ที่ปลายสุดของชีวิตนะจริงๆความตายเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาทุกขณะที่เรามีลมหายใจอยู่นะก็มีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเรามีเซลล์ที่ตายทุกขณะวันหนึ่งก็เป็นหมื่นหรือแสนล้านเซลล์อย่างที่เรามีชีวิต อ, อยู่ได้นี่เพราะมีความตายเกิดขึ้นกับเซลล์ต่างๆในร่างกาย แล้พอเซลล์เราตายเนี่ยเราจึงมีสุขภาพที่ดีเพราะมันเปิดทางให้เซลล์ใหม่ที่ดีกว่าได้เกิดขึ้นแล้วก็ทํางานได้อย่างถูกต้องนะอันที่พระเจ้ตรัสว่าเนี่ยความตายอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นความจริงนะในที่จริงที่เราอยู่ได้นี่ก็เพราะความตายของชีวิตอื่นด้วยนะความตายของผักความตายของสัตว์นานาชนิดที่กลายมาเป็นอาหารให้กับเราถ้ามองนี้เราก็ต้องขอบคุณความตายนะแล้วถ้าเรามีความสุข ในแง่นี้มากขึ้นเนี่ยนะความตายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวและสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอามาสอนคนเราได้ตั้งแต่เด็กนะมีลูกมีหลานก็เอาคลิปอย่างเนี้ยไปสอนอธิบายหวมทั่งให้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวต้นไม้ที่ล้มดอกไม้ที่เหี่ยวเฉานะหรือว่าน้ำที่แห้งเหือดพวกนี้มันก็ล้นแต่ เป็นเสียงสะท้อนหรือเป็นสื่อของความตายที่ทําให้เด็กเนี่ยสามารถจะเข้าใจความตายได้โดยที่ไม่ต้องอตื่นตระหนกตกใจแต่มองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นธรรมดาของธรรมชาติถึงเวลาที่สัตว์เลี้ยงตายเออก็มองก็สอนว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาติปลาตายหรือแมวตายอันนี้เป็นการเตรียมพื้นฐานให้เด็กได้เข้าใจเรื่อง ความตายเมื่อถึงเวลาที่ผู้ใหญ่หรือคนรักของตัวเกิดล้มหายตายจากไปเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องก็ได้ทำใจได้ง่ายขึ้น